วันนี้เป็นวันพระรหัสสับบดีที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวรรคคือวันฟังธรรมการฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าส่งให้ความสำคัญ อย่างยิ่งถึงกับต้องมีวันฟังธรรมขึ้นมาก็การที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะสามารถรับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาได้ จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีการฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นวิธีการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลก็ในสมัยพุทธกาลนี้ ไม่มีเครื่องมือสื่อสารอย่างที่เรามีกันในสมัยนี้วิธีที่จะศึกษาธรรมะจำเป็นที่จะต้องไปศึกษากับผู้ที่รู้ธรรมะก็คือไปศึกษากับพระพุทธเจ้าหรือไปศึกษากับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจึงจำเป็นที่จะต้อง ไปวัดเพราะวัดก็คือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพราะถ้ามีภารกิจการงานก็จะไม่สามารถที่จะไปวัดเพื่อไปศึกษา พระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าจึงส่งบัญญัติวันธรรมะสวัสดิ์ขึ้นมาคือวันฟังเทศฟังธรรมที่เราเรียกว่าวันพระเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนผู้มีความปรารถนามีความเชื่อในพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า จะได้มีเวลามีโอกาสที่จะไปศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนด้วยการไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวุกเพราะในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีที่จะศึกษาธรรมะได้เพียงวิธีเดียว คือการได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่เรามีเครื่องมือสื่อสารเพิ่มขึ้นเรามีการเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้เราก็สามารถศึกษาพระธรรมคำสอนได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เพียงแต่การฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียว เราสามารถศึกษาพระธรรมคำสอนได้ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆไม่ ว, ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าคือหนังสือพระไตรปิฎกหรือหนังสือของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายพระสุปฏิปนันโนคือครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพนับถือ และเรามีความเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือธรรมะของท่านก็ได้หรือมีการบันทึกคำสอนของท่านไว้ในเครื่องอสื่อบันทึกเสียงต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการเหล่านี้มา เป็นการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนเราจะไม่สามารถเข้าถึงธรรมันวิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสากทั้งหลายได้เข้าถึงได้ธรรมัญวิเศษนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับทรัพสมบัต ที่มีคุณค่าราคาอย่างยิ่ง <c oughs> ซึ่งเวลาที่เรามีทรัพสมบัติที่มีคุณค่าราคาแล้วเราต้องการที่จะรักษาเราก็ต้องเก็บไว้ในตู้ที่ปลอดภัยที่เรียกว่าตู้นิรภัยหรือตู้เซฟ <c oughs> เราก็มักจะเอาเก็บของมีค่า <c oughs> เช่นแก้วแหวนเงินทอง <c oughs> เพชรนินจินดา <c oughs> ของมีค่าต่างๆ เราก็จะมักเอาไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือตู้เซฟที่ปลอดภัยจากการลักขโมยมและเวลาที่เราจะต้องการไปหยิบทรัพย์ที่มีอยู่ในตู้เราก็ต้องมีกุญแจ<ม>หรือมีรหัสที่จะเปิด<ม> <c oughs> ตู้ออกมาได้เพื่อที่จะหยิบของที่มีค่าต่างๆได้ ฉันใดพระพุทธศาสนาก็มีของคุณค่าบรรจุอยู่เช่นทรัพย์ภายในที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์หรือมรรคผล น, ผนิพพานวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการที่เราจะเข้าถึงทรัพย์ของพระพุทธศาสนาได้เราก็ต้องมีกุญแจเปิดตู้นินรภัย พระทรัพย์เหล่านี้เป็นของมีค่ามีถูกเก็บไว้ในตู้เซฟของพระพุทธศาสนาการที่เราจะเปิดตู้เซฟได้เราก็ต้องมีกุญแจหรือมีรหัสผ่านเราก็ต้องไปหากุญแจหรือรหัสผ่านผู้ที่ถือกุญแจและรหัสผ่านก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวก และพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเป็นพระรัตนะเป็นเป็นอั ญ, ญมณีที่มีคุณค่าอย่างยิ่งตรัยแปลว่าสามอั ญ, ญมณีที่มีค่าสามสามชิ้นด้วยกันคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การที่พระรันาตนาตยนี้มีคุณค่าที่เปรียบเทียบเป็นเหมือนอั ญ, ญมณีก็เพราะว่าท่านมีรหัสผ่านหรือมีกุญแจที่จะให้มอบให้กับเราเพื่อให้เราได้ไปเปิดตู้นิรภัยของพระพุทธศาสนาที่มีบรรจุวิมุติการดุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆ ที่ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะมีไปเรียนรู้ไปศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆจะไม่มีการสั่งการสอนวิธีของการทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีเพียงแต่สถาบันเดียวในโลกนี้ที่จะสอนให้ผู้ที่ไปศึกษา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในใจของสัตว์โลกที่สร้างความทุกข์สร้างควาท ร, รมานให้แก่สัตว์โลกอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลาอันยาวนานและจะไม่มีวันสิ้นสุดตราใดถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะมอบกุญแจรหรือรหัสผ่านเพื่อที่จะได้ไปเปิดรูนิรภัยของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้เข้าถึงวิมุติเข้าถึงอริยทรัพย์ขั้นต่างๆซึ่งเป็นทรัพย์ที่จะมอบความสุข ระดับความทุกข์ต่างๆของใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือความสำคัญของการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกุญแจหรือเหมือนรหัสผ่านที่จะทำให้เราสามารถเปิดตู้นิรภัย ของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เราได้เข้าถึงอริยสัพพ์คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆจนถึงระดับสูงสุดได้ mm hmm. การศึกษาหรือการังเทศญพังธรรมจึงเป็นการกระทาที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพุท ธ, ธศาสนิกชน ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแรงกล้าที่ไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้เพราะถ้าไม่ได้มีการศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนแล้วจะไม่ได้เรียนรู้วิธีของการดับของความทุกข์ต่างๆว่าจะดับได้อย่างไรแต่ถ้าได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอน ก็จะได้เรียนรู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีเป้าหมายอยู่เป้าหมายเดียวนั้นคือการหลุดพ้นจากความทุกข์การดับความทุกข์การวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆนี้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่คือเป้าหมายของ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีเป้าหมายสอนให้พวกเราได้ร่ำได้รวยในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ได้สั่งให้สอนให้พวกเรามีชีวิตอยู่ไปอันยาวนานไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่ตาย อันนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การที่คนเราเมื่อเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ศาสนาสอนนี้จะทำให้ผู้ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั้นไม่ต้องมีความทุกข์ได้ ไม่ต้องทุกกับความแก่ไม่ต้องทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องทุกกับความตายได้เพราะว่าผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายกับผู้ที่ทุกนั้นเป็นคนละคนกันนั่นเอง <Yeah. S 1> ผู้ที่แก่ก็คือผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายนั้นก็คือร่างกายซึ่งเป็นรูป เป็นรูปธปรรม ท, ที่ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็แล้วก็ปรากฏเป็นอาการต่างๆของร่างกายอาการสาสสองของร่างกายเช่นผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆที่เป็นของอไม่เที่ยง เป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา mm. ร่างกายเมื่อเริ่มก่อตั้งขึ้นมา mm. ก็จะเริ่มมีการจเจริญเติบโตอยู่ในคันของมารดา mm. แล้วพอจเจริญเติบโตเต็มที่ mm. ก็คลอดออกมา mm. เมื่อมีอาการครบสามสิบสองก็คลอดออกมา mm. แล้วก็มาเติมท่าทั้งสี่ต่ อ, อด้วยการ หายใจเอาลมเข้าดื่มน้ำต่างๆเพื่อเอาน้ำเข้ารับประทานอาหารเพื่อเอาว่าดินเข้าแล้วก็รับความร้อนจากแสงจากแสงพระอาทิตย์เมื่อมีธาตุทั้งสี่มาคอยเสริมมาคอยเติมให้กับร่างกายร่างกายก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับ จากเด็กที่เป็นเด็กอายุหนึ่งวันก็เป็นอายุหนึ่งอาทิตย์จากหนึ่งอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งเดือนจากหนึ่งเดือนก็เป็นหนึ่งปีร่างกายก็จเจริญเติบโตใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆนี่คําว่าอนิจจังไม่เที่ยงแปลว่าไม่ไม่เหมือนเดิมไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง<ม>อันนิจจงอย่างหนึ่งไม่เที่ยงถ้าเที่ยงก็คือเกิดมาออกจากท้องแม่มาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับตุ๊กตาที่เราไปซื้อจากร้านขายของมานี้ซื้อมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีตุ๊กตาตัวนั้นก็ไม่มีวัน จเจริญเติบโตไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเหมือนตุ๊กตาที่เราซื้อมาจากร้านร่างกายนี้เป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีเบื้องต้นก็จะมีการจเจริญเติบโตเป็นเป็นส่วนใหญ่ร่างกายก็จะค่อ ย, อยๆเติบโต จเจริญขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาจากทารกก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ <Yeah. S 1> จนกระทั่งจเจริญเติบโตเต็มที่ <Yeah. S 1> แล้วพอร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่ <Yeah. S 1> ต่อจากนั้นร่างกายก็จะเริ่มค่อยๆเสื่อมลงไป <Yeah. S 1> ความเสื่อมก็คือความแก่นั่นเองร่างกายก็จะค่อยๆชลาภาพ <Yeah. S 1> ไม่มไม่ยอมอยู่คงที่ พอถึงวัยโตเต็มที่มันจะไม่อยู่อย่างนั้นไปมันก็จะเริ่มมีความชราตามมามันก็ค่อยๆชำรุดทุดโทรมไปทีละเล็กทีละน้อยจนแล้วก็เริ่มเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมากับความชราเพราะอวัยวะต่างๆที่ทำทางานนี้มันก็เริ่มชำรุดทุดโทรม เมื่ออวัยวะที่ชำรุดทุดโทรมก็เกิดโรคของอวัยวะต่างๆหัวใจทรุดโทรมก็เกิดโรคหัวใจปอดทรุดโทรมก็เกิดโรคปอดกระเพาะทรุดโทรมก็เกิดโรคกระเพาะแล้วมีโรคภัยต่างๆตาๆมมาเป็นธรรมดาของร่างกายแล้วอยู่ไปต่อไปมันก็จะถึงวันที่อวัยวะต่างๆนั้น จะหยุดทำงานเพราะสิ้นสภาพไม่มีความสามารถที่จะทำงานได้ต่อไปร่างกายนั้นก็จะหยุดหายใจพอหยุดหายใจแล้วก็เรียกว่าร่างกายนั้นตายพอตายแล้วร่างกายก็จะต้องก็จะแยกมีการแยกธาตุที่มารวมกันธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ที่มารวมตัวเพื่อให้เป็นอาการ32ก็จะแยกตัวออกจากกันไปเบื้องต้นคือธาตุธาตุลมก็จะไปก่อนพอไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วธาตุลมก็หมดไปแล้วธาตุไฟก็จะออกไปร่างกายของคนตายก็จะไม่อบอุ่นไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนเป็นเพราะธาตุไฟแล้ว เริ่มออกจากร่างกายไปแล้วหลังจากนั้นธาตุน้ำก็จะแยกออกไปในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินคืออวัยวะที่แห้งกรอบอ ว, อ, วอวัยวะทางๆที่แห้งกรอบแล้วต่อไปก็ผุพังลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายของคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว จำเป็นที่จะต้องอมีการเจริญเติบโตมีการแกร่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ในที่สุดก็มีการตายไปเพราะพุทธศาสนาจึงไม่ได้สอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ไปหวังอะไรกับร่างกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหวังไม่ได้พึ่งมันไม่ได้แต่สิ่งที่ศาสนาจะสอนเราก็คือ ตอนน้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราที่ทุกข์กับร่างกายนี้เราไม่จําเป็นจะทุกข์ก็ได้ถ้าเรารู้จักวิธีทําใจทําตัวเราไม่ให้ไปทุกข์กับร่างกายสาเหตุที่เราไปทุกข์กับร่างกายก็เพราะเกิดจากความหลงของเราของใจผู้ที่มาครอบครองร่างกาย กูไปคิดว่าร่างกายเป็นเป็นใจพอใจคิดว่าร่างกายเป็นใจใจก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่กับใจไปตลอดใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นสิ่งที่อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่ใจไม่รู้ธรรมชาติของตนเองไม่รู้จักตนเองใจพอ ก็ได้ไปครอบครองร่างกายก็จะไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายไปก็เลยอยากจะให้ร่างกายนั้นอยู่กับใจไปตลอดอยู่แบบไม่แก่อยู่แบบไม่เจ็บอยู่แบบไม่ตายแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สาเหตุที่ทําให้ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้มีความทุกข์ก็เกิดจากความอยาก ของใจนี่ความอยากของใจนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจนี้ทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายคิดว่าตนเองแก่คิดว่าตนเองเจ็บคิดว่าตนเองตายแต่ความเป็นจริงแล้วใจกับร่างกายนี้ ก็เป็นเหมือนกับหมอกับคนไข้นี่นี่เองเพียงแต่ว่าหมอที่มาดูแลคนไข้นี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งหมอที่มาดูแลคนไข้กับมาคิดว่าตัวเองเป็นคนไข้ก็เลยไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับคนไข้แต่ถ้ารู้ถ้ารู้ว่าตนเองเป็นหมอถ้าใจรู้ว่าตนเองเป็นหมอ เรารู้ว่าร่างกายเป็นเหมือนคนไข้เนียหมอก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของคนไข้แต่หมอก็จะพยายามที่จะดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดถ้าหายได้ก็ดีถ้าหายถ้าไม่หายหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่หมอจะรู้ว่าหมอไม่ได้เป็นคนไข้นะ หมอจะไม่ทุกข์ไม่เล็กกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้หวาดวกุยตกหว่ดกังวลกับความเป็นไปของคนไข้แต่อย่างใด mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ว่าเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดซึ่งเป็นเหมือนกับหมอ ส่วนร่างกายเ่านี้ก็เป็นเหมือนคนไข้คนไข้ที่หมอดูแลเวลาคนไข้ไม่สบายหมอก็หายามารักษาถ้ารักษาได้คนไข้ก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บไปแต่หมอก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่รักษาคนไข้แล้วคนไข้รักษาไม่ได้ หมอก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายที่เวลาไม่สบายบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้ที่บางทีก็สามารถยืดอายุของคนไข้ได้บางทีก็ยืดอายุไม่ได้คือป้องกันความตายไม่ได้แต่หมอนี้จะไม่เศร้าโศกเสียใจ จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไ ม, ไม่ไม่รู้สึกอะไรกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะหมอกับคนไข้นี้เป็นคนละคนกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้เรียนรู้ว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ ที่มีความสามารถที่จะรับรู้ที่จะสามารถมีความคิดที่สามารถใช้ความคิดนี้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้สั่งให้ร่างกายพาเราไปทำอะไรที่เราต้องการได้เพราะใจของเรานี้มีปัญหาปัญหาของใจเราก็คือเรามีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ เราถ้าไม่มีร่างกายเราจะไม่มีความสุขกันแต่พอเรามีร่างกายเราก็จะได้ใช้ร่างกายนี้พาเราไปหาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็คือลาบยศสรรเสริญละรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆนี่เราจึงต้องมีร่างกายต้องพึ่งพาอาศัยร่างกาย นี่สาเหตุที่พาให้ใจมาเกิดมามีร่างกายเพราะใจนี้เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดติดลาบยศสรรเสริญติดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆจำเป็นที่จะต้องคอยหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสพอยู่เรื่อย เวลาที่ไม่ได้เสกลูกเสียงกดลดิ่นรสไม่ได้เสกลาบยศสรรเสนี้จะมีความรู้สึกไม่สบายใจจะมีความรู้สึกุดจิตลำคาญใจจะรู้สึกบางทีเครียดบางทีรู้สึกซึมเศร้าเพราะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสิญจากลูกเสียงกดลิ่นรสได้ยึงทำให้ใจนี้ต้องคอยไป หาหาลูกเสียงกลิ่นรสหาราดยศสารเสริญโดยที่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองต้องใช้ร่างกายพาเราไปหาหาเงินหาทองหายศหาตําแหน่งตอนนี้มีการวิ่งหาหาเสียงกันหาเสียงหาอะไรก็หายศหาตําแหน่งใช่ไหมหาตําแหน่งเป็นสส เป็นสอสอแล้วถ้าเข้าไปก็อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีบางทีก็อาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอพอได้ตำแหน่งได้ยศขึ้นมาก็มีอำนาจมีอำนาจที่สามารถที่จะไปว่านหาทรัพย์ได้ไปหาลาบไปหาลาบต่างๆได้เซ็นชื่อเพียงเซ็นชื่อเท่านั้นเงินก็เข้ามาเป็นล้านได้ แล้วก็สามารถที่จ ะ, ะสั่งให้ไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้นกายได้อยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสามารถทำได้เพราะมีอำนาจมีพลังมีกำลังทรัพย์เพียงแต่พูดคำเดียวเท่านั้นสั่งคำเดียว สิ่งที่ต้องการก็มากันนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้คนแสวงหาตาแหน่งหายศกันเพื่อที่จะได้อำนาจได้กำลังได้พลังที่จะสั่งให้สิ่งต่างๆที่ตนเองต้องการนี้มาหาตนเองได้อย่างง่ายดายเนี่ยถึงมีการวิ่งเต้นกันทุกวันนี้หาเสียงกันทุกวันขยัน ง, งานตื่นตังแต่เช้า ออกหาเสียงกันจนกรั่งถึงมุดข่ําเพราะมีความอยากได้ได้รับเลือกเข้าไปให้เป็นผู้แทนเพราะว่าถ้าเป็นผู้แทนแล้วก็อาจจะมีข้อต่อรองที่สามารถที่จะให้ได้เป็นรัฐมนตรีขึ้นมาได้หรือบางคนก็ได้เป็นนายกรัตมนตรีนี่คือการกระทําของใจ ผ่านทางร่างกายใจจะได้ราบยศสรรเสริญจะได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสษนี้จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายนั่นเองจึงเป็นเหตุที่พาให้ใจนี้ที่เป็นดวงวิญญาณเวลาที่ใจนี้อยู่ตามลำพังเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ใจนี้จะเป็นดวงวิญญาณเป็นกายทิพย์กายทิพย์นี้อยู่ก็จะไม่มีความสุข เพราะไม่ไม่สามารถหาราบยศเส ร, เริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพัชชนิดต่างๆได้<ม>ก็เลยต้องรอโอกาสรอจังหวะเมืม่อถึงเวลาที่สามารถที่จะไปได้ร่างกายก็จะรีบความับขึ้นมาทันทีรีบไปเกิดทันทีรีบไปได้มีร่างกายทันทีพอได้ร่างกายมาแล้ว พอร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมาก็สามารถไปทำตามที่ใจต้องการได้ก็จะใช้ร่างกายนี้พาไปหาราบยศสรรเสริญไปทำมาหากินด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ทรัพย์มาให้ได้ร่าให้รวยนะพอได้รได้ทรัพย์มาแล้วไ ด, ด้อยากได้ยศอยากได้ตาแหน่งก็สามารถใช้ทรัพย์ที่หามาได้นี้เป็นบันไดขึ้นไป คนที่มีทรัพย์เยอะนี้ก็จะมีกำลังที่จะหาเสียงทุ่มเทค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มีคนได้รู้จักมากคนรู้จักมากก็จะเลือกมากอันนี้คือเรื่องปัญหาของใจใจที่ไม่มีใจที่ไม่ใช่เป็นร่างกายแต่ต้องพึ่งร่างกายเพราะว่าใจนี้มีความผิวโหวย เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดสิ่งที่ใจติดก็คือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายนี่เองจึงเป็นเหตุที่ทำให้ใจนี้ต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยอยู่ตามลำพังไม่ได้เพราะอยู่ตามลำพังแล้วไม่มีความสุขต้องคอยดิ้นนวนหาความสุขต้องผ่านทางร่างกายนั่นเอง ใจถึงมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวพอได้ร่างกายมาแล้วพอร่างกายเกิดขึ้นมาร่างกายมันก็จะผ่านกระบวนการของร่างกายที่มีการเกิดแกเ่เจ็บตายตามมาต่อไปพอร่างกายตายไปแล้วใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อใจก็จะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้มา จะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานจ ำ, จำนวนของร่างกายที่ใจได้มาเป็นเครื่องมือหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนดนี้มีจำนวนมากมายจนไม่สามารถนับได้ด้วยตัวเลขแต่เราสามารถประมาณการของจำนวนของร่างกาย ที่เราได้มานี้จากน้ําตาที่เราหลังทุกครั้งที่เรามาเกิดทุกครั้งที่เรามาได้ร่างกายเรามักจะเจอกับความเศร้าโศกเสียใจกันแล้วเราก็ต้องมีการหลั่งน้ําตากันน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดมีร่างกายนี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี่น้ําตาที่เราได้หลั่งมานี้ มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรก็คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดกี่ครั้งด้วยกันมาร้องห่มร้องไห้มาบีบน้ําตามารีดน้ําตากี่มากน้อยกี่ครั้งถึงจะได้น้ําตามากเท่ากับน้ําในมหาสมุทรนั่นและคือจํานวนของการเกิดของเราที่ผ่านมาในอดีตและยังไม่จบในวันนี้ ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของใจได้เราก็จะหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปถ้าปัญหาคือความอยากของเราความอยากหาความสุขจากลาบยศจลเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ยังไม่ได้ถูกกาจัดไป<ม>ความอยากนี้ก็จะพาให้ร่างกาย ให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่อีกรอบเดียวอีกหลายหลายรอบไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาของใจคือความอยากที่จะเสพราบยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้และผู้ที่จะมาช่วยใจแก้ปัญหาอันนี้ได้ก็คือพระพุทธศาสนานี่เองก็คือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์หรือพระรันตนตรัยเท่านั้นเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้ที่ได้แก้ปัญหาของใจได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกในโลกนี้ที่ได้ค้นพบสาเหตุว่าปัญหาของใจที่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั้นเกิดจากอะไรและส่งค้นพบว่า วิธีที่จะทำให้สาเหตุที่พาให้ใจนี้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั้นบทดไปได้อย่างไรก็คือได้ส่งค้นพบวิธีการวิธีปฏิบัติที่จะทำให้สามารถที่จะกาจัดความอยากในราบยศสารเสริญกาจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะชนิดต่างๆได้ ย่งราบคาบพอได้ทรงปฏิบัติได้ทรงค้นคว้าและได้ทรงนำเอาสิ่งที่ได้ค้นคว้าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาใช้กับการปฏิบัติก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของใจได้คือสามารถกำจัดความอยากที่อยากจะเสพราบยศเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถภาได้เลยทาให ใจของผู้ที่ได้แก้ปัญหาคือพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกคนฉลาดคนที่สามารถค้นหาปัญหาของใจว่าเกิดจากอะไรทำไมใจถึงจะตงมาทุกข์กับร่างกายทำไมต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บ รู้กับความตายของร่างกายก็เพราะใจไปเพื่งร่างกายนั้นเองในเพื่งร่างกายเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความอยากของใจตัวปัญหาก็คือความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายถ้าไม่มีความอยากได้ลาบยศชนรเสริญไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสกก็ <aseg> ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีร่างกาย ใจก็ไม่ต้องไปเกิดเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์ไม่ต้องมีทุกข์กับร่างกายใครก็ตามพอมีร่างกายแล้วต้องไปทุกข์กับร่างกายกันทุกคนทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายของร่างกายแต่ถ้าสามารถหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพลาได้ใจก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายใจก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายเป็นอะไรใจก็จะไม่ไม่มีความทุกข์เพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือที่ทุกข์เพราะว่ายังต้องใช้เครื่องมืออยู่ยังอยากให้ร่างกายอยู่ต่อไปจะได้ไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นลดไปเรื่อย แต่ถ้าใจรู้แล้วว่าความทุกข์ของใจเกี่ยวกับร่างกายนี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็หยุดความอยากนี้เท่านั้นเองหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายแต่การที่จะหยุดความอยากใช้ร่างกายนี้ได้นี้จาเป็นจะต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือที่จะทำให้ใจนี้สามารถเลิกพึ่งรั่งกายได้วิธีที่พระเจ้าส่งคนพบนี้เราเรียกว่าทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหรือเรียกว่ามักมักแปลว่าวิถีทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์มักที่พระเจ้าส่งคนพบและนอาออกมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาที่จะไม่ ไม่พึ่งร่างกายไม่ไม่ไม่ทตามความอยากของใจถ้าหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากของใจก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายหรือถ้ามีก็ไม่เดือดร้อนถ้าร่างกายจะเป็นอะไรไปเพราะว่าเมื่อไม่พึ่งร่างกายแล้วร่างกายจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถึงแม้ยังมีร่างกายอยู่ตอนนี้ถ้าใจ เลิกพึ่งน่างกายได้แล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของน่างกายจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความชราของน่างกายเพราะว่าใจไม่ได้ไปมีความต้องการที่จะพึ่งน่างกายต่อไปนั่นเอง่อางนั้นเป้าหมายของของผู้ที่ต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับความเจ็บความแก่ความตายของน่างกายนี้ ก็ต้องมาหยุดเพื่งร่างกายให้ได้อย่าอย่าเพื่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบที่พระเจ้าได้ส่งคนพบวิธีนี้เป็นเครื่องมือแทนที่เราจะทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขผ่านทางร่างกายให้เรามาใช้วิธีใหม่วิธีที่พระเจ้าได้ส่งใช้มาแล้วทาให้ ใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายวิธีที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบ ก, ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยสามวิธีนี้อย่าเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการที่จะต้องใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปเสส ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่าง ก็ให้เปลี่ยนวิธีมาหาความสุขจากการใช้การปฏิบัติทานศีลและภาวนานี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องมาศึกษากันเรียนรู้กันว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราจะมีความสุขได้อย่างไรพระเจ้าสงคนเพรว่าเราจะมีความสุขได้จากการ ปฏิบัติทานศีลภาวนาดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษากันว่าการทำทานทำอย่างไรการรักษาศีลทำอย่างไรและการภาวนาทำอย่างไรงเพราะการทำทานรักษาศีลภาวนานี้เป็นการสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมานั่นเองซึ่งต่างจากความสุขที่เราได้จาก ลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนกับยาเสพติดที่จะต้องเสพไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและเวลาใดที่ไม่สามารถเสพได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายนี้ใจก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากราบยศเสริญจากรูปเสียงเกิจรอลดมาเป็นวิธีทาทานรักษาศีลภาวนาใจของเรานี่จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บและร่างกายตายเพราะว่าการหาความสุขด้วยการทําทานรักษาศีลภาวนานี้ไม่จาเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกาย เบื้องต้นอะเรื่องของการทําทานนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องอาศัยร่างกายแต่ถ้าทําทานไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ายังสามารถหาความสุขจากการรักษาศีลจากการภาวนาได้อยู่แต่ที่ทรงสอนให้เราหาความสุขจากการทําทานเพราะว่าเรามักจะเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเรา ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนั่นเองซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้เราติดและจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในการเสบ ร, รูปเสียงกลธธิ่นรสผลพภะเึีงส่งสอนว่าถ้าเราอยากจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เราเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขด้วยการทาบุญให้ทานแทน เอาเงินนี้ไปแจกไปช่วยเหลือคนอื่นให้ใครก็ได้อยากจะให้ใครให้ไปเลยให้แล้วมันจะเกิดความสุขเราก็ต้องอยากจะเกิดความสุขมากน้อยก็ต้องเลือกวิธีเลือกคนให้ที่เราให้เพราะคนบางคนให้แล้วเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขก็ได้คนบางคนเราให้แล้วเราเกิดมีความรู้สึกมีความสุขเราก็เลือกหาคนที่เราให้แล้วเรามีความสุข คนที่เราให้แล้วมีความสุขส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีบุญคุณกับเรานั่นเองการได้ตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณนี้มันจะทำให้เราเกิดความมีความสุขขึ้นมาต่างจากการที่เราให้เงินทองคนที่เขาไม่มีบุญคุณกับเราคนเราตอบแทนบุญคุณนี้จะมีความรู้สึกมีความสุขมากทางศาสนาจึงมักจะสอนให้เราทำบุญกับผู้ที่มีพระคุณกับเราก่อน เช่นบิดามารดาของเราปู่ย่าตายายบุคคลเหล่านี้ถ้าไม่มีเขานี่เราจะมีเราไม่ได้เราจะมีร่างกายนี้ได้ก็ต้องอาศัยมีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็ต้องอาศัยปู่ย่าตายายสร้างร่างกายของพ่อแม่ก่อนพอมีร่างกายของพ่อแม่แล้วก็จะมีร่างกายของเราตามมาได้ดังนั้นบุคคลเหล่านี้คือบิดามารดาปู่ย่าตายาย หรือถ้ามีถึงถ้ามีโทษด้วยก็ท่านก็มีพระคุณกับเราเพราะถ้าปราศ จ, จากบุคคลเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่มีร่างกายที่เรามีอยู่ได้ในขณะนี้ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสถ้าเราอยากจะหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองอย่าเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มไปดูไปฟังเลยมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะทำให้เราติด ที่จะทำให้เราหิวโหยแล้วเวลาไม่ได้เสพจะทำให้เราบุดหงิดทำให้เราทุกข์ให้เราเอาเงินที่ไปซื้อยาเสพติดนี้มาทำบุญกับบุบคคลที่มีพระคุณกับเราดีกว่าทําแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจปลื้มปิติบางทีถึงกับน้ำตาไหลก็มี้เวลาที่เราได้ทดแทนบุญคุณของท่านผู้มีพ่ะคุณกับเราเช่นบิดามารดา ถ้าเราลนึกถึงความทุกยากลำบากของท่านในการที่ท่านต้องมาเลี้ยงดูเราเราถึงจะรู้สึกถึงบุญคุณของท่านว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนและเวลาที่เราได้ทดแทนบุญคุณนี้เราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมากขนาดไหนเพราะต้องการที่จะให้ท่านสบายบ้างท่านทุกมานานแล้วท่านทุกยากลำบากในการเลี้ยงดูร่างกายของเรามาในสมัยที่เรายัง ดูแลตัวเราเองไม่ได้ต้องอาศัยท่านคอยเลี้ยงดูเราท่านทุกข์ยากลาบากกับการเลี้ยงดูเรามาเป็นเวลาอันยาวนานพอเรามีโอกาสนี่เราแทนที่จะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราอะไรต่างๆนี้ซื้อเอามาทำบุญดีกว่าเอามาทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณต่างๆ เมืองต้นก็ทากับบิดามารดาปู่ย่าตายายแล้วต่อไปบุคคลที่มีพระคุณกับเราก็ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เองเพราะการที่เราจะมีวิชาความรู้ขึ้นมาได้นี้ก็เพราะว่ามีคนที่มีวิชาความรู้มาสั่งมาสอนเรา<ม>เราก็จะมีครูบาอาจารย์ทางโลกและมีครูบาอ า, า, าจารย์ทางธรรมครูบาอาจารย์ทางโลกเราก็ ถ้าเรารู้จักท่านท่านทุกยากลำบากเดือดร้อนเราถ้าไปช่วยเหลือท่านได้ก็ควรจะไปช่วยเหลือท่านแล้วก็ถ้าโรงเรียนที่เราเรียนมานี้เกิดความเดือดร้อนขาดแคลนอะไรถ้าเราทดแทนบุญคุณของสถาบันการศึกษาที่เราไปเรียนรู้ได้ก็จะดีเพราะถ้าเราไม่มีโรงเรียนไม่มีครูอาจารย์ เราก็จะไม่มีวิชาความรู้อย่างที่เรามีกันการที่เรามีทรัพย์มีเงินมีทองมาได้ น, นี้ก็เพราะว่าเราได้มีความรู้วิชาต่างๆจากครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนกันนั่นเอง mm hmm. ท่านจึงมีบุญคุณกับเรามากเพราะถ้าเราไม่มีวิชาความรู้เราก็จะไม่มีความสามารถที่จะหาทรัพย์หาเงินหาทองที่จะทําให้เรากินอยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ yeah. นี่คือการระลึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณถ้าเรามีความสำนึกในพระคุณแล้วเราก็อยากจะตอบแทนโดยเฉพาะกับท่านที่กำลังเดือดร้อนกำลังทุกข์ยากเดือดร้อนถ้าท่านทุกข์ยากเดือดร้อนก็ถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้ก็ควรช่วยเหลือโรงเรียนเดือโรงเรียนเดือดร้อนสถาบันการศึกษาที่เคยให้ความรู้กับเราอาจจะขาดแคลนอะไร เราก็ไปช่วยสนับสนุนนอกจากครูบาอาจารย์ทางโลกแล้วก็มีครูบาอาจารย์ทางธรรมทางศาสนาศาสนานี้ก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้วิชาความรู้ทางธรรมวิชาที่ไม่มีวิชาไม่มีสถาบันการศึกษาใดๆสอนก็วิธีวิธีการดับความทุกข์ต่างๆสถาบันการศึกษา ทางธรรมก็ต้องมีการสนับสนุนเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนไม่มีการทำบุญทำทานกับสถาบันสถาบันก็อาจจะอยู่ไม่ได้พระพุทธศาสนาก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าญาติโยมไม่ทำบุญใส่บาตรถ้าญาติโยมไม่มาช่วยกันสร้างวัดสร้างที่อยู่อาศัยสร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆนี่ก็จะไม่มีวัดวาอารามไม่มีสถานที่ญาติโยมจะได้ไปศึกษา ไปปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆได้เราก็ถ้าเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทดแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนาด้วยการทำหน้าที่ของชาวพุทธเราหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือทำบุญทำทานนี่ทำบุญทำทานกับพระศาสนาดีกว่าเอาเงินไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นอันนั้นเป็นการซื้อความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัว พราะมันจะเกิดความติดเป็นเป็นเหมือนติดยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพจะทุกข์ทรมานมากแต่เวลาทาบุญทำทานแล้วจะไม่ไม่ทุกข์จะไม่ติดเวลาที่ไม่มีเงินมีทองทำก็ไม่เดือดร้อนและยังมีความสุขได้จากการระลึกถึงบุญเก่าที่เราได้ทำไว้ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำไว้กับใครก็ได้กับบิดามารดาปุยญาติยาย กับโรงเรียนกับอาจารย์กับจากวัดอะไรนี้ถึงแม้ตอนนี้เราไม่มีกําลังที่จะทำํำแต่เราคิดถึงอดีตที่เราทำํำมันก็ยังให้ความสุขกับเราได้และมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกมีความหิวโหวยว่าไม่ได้ทำแล้วจะหงุดหงิดจะลาคาญจะทุกข์มันไม่มีมันไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่างใดมันมีแต่จะให้ความสุขใจกับเราแล้วมันจะทําให้เราสามารถที่จะไม่ไปติดกับ การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะได้ถ้าเราไม่ติดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปดิน้นรนหาเงินหาทองมาเสกอยู่เรื่อยๆนันก็จะทำให้เรามีเวลาว่างขึ้นแล้วเราจะสามารถเอาเวลาที่ว่างนี้มาใช้กับการสร้างความสุขใจในระดับที่สูงขึ้นก็คือระดับศีลและภาวนานั่นเองให้เรามารักษาศีลกัน โดยเฉพาะถ้าต้องการจะภาวนาเราก็ต้องรักษาศีแปดกันแต่เบื้องต้นถ้าเรายังรักษาศีแปดไม่ได้เราก็มารักษาศีห้ากันก่อนรักษาศีห้าการรักษาศีห้านี้ก็จะทำให้ใจเราไม่ต้องทุกข์กับการทำบาปนั่นเองเวลาเราทำบาปนี้จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราเวลาเราไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงไปประพฤติผิดประเพณี ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันจะทําให้ใจเรารู้สึกไม่สบายแต่เวลาที่เราไม่ได้ทนะําแล้วเรารู้สึกสบายใจเย็ยนใจไม่มีความหวาดวิตกไม่มีความกังวลไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปรับผลของบาปเพราะเราไม่ได้ทําบาปอันนี้ก็คือการสร้างความสุขกับใจอีกวิธีหนึ่งทําใจเราให้มีความสุขด้วยการไม่ทําบาป รักษาศีลห้าให้ได้และไม่เสบาบายยมุกเพราะการเสบาบายยมุกนี้จะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายจนเวลาเราดื่มสุรายาเมาพออาการเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเราจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ถ้าอารมณ์ไม่ดีอยากจะด่าใครอยากจะว่าใครก็จะยับยั้งไม่ได้อยากจะทําร้ายใครก็จะยับยั้งไม่ได้พอไปทําบาปแล้วก็จะเกิดโทษตามมา ก็ต้องมีการรับใช้โทษไปทำร้ายเขาเขาก็ต้องมาร้างแค้นเราเขาล้างแค้นไม่ได้เขาก็ต้องไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจมาช่วยจัดการให้<ม>ชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างไม่เป็นปกติ<ม>ชีวิตของเราก็จะอยู่แบบวุ่นวายวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆ<ม>แต่ถ้าเราไม่ทำผิดเราไม่ทำบาปนี้ ใจของเราจะเย็นใจของเราจะสบายเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะรู้สึกเฉยเฉยเฮ้เราไม่ได้ทำอะไรไปกลัวอะไรแต่ถ้าเราไปทำอะไรผิดกฎหมายนี้เวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทั้งที่เขาไม่ได้มาจับเราเขาไม่รู้เรื่องของเราแต่ใจของเรารู้ว่าเราทำอะไรนี้เราก็จะเกิดความตกใจขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีนี่คืออีกวิธีหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับใจ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปไปหาวิธีที่มันจะพาให้เราต้องพึ่งร่างกายเช่นไปไปลักทรัพย์คนที่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขมกากจากเงินทองจะไม่พอใช้เวลงเงินทองไม่พอใช้บางทีก็ต้องไปลักทรัพย์ไปขโมยไปป้นไปจี้ไปทําบาป อ, า อ, าอันนี้คือเป็นวิธีป้องกันให้เราตัด เรื่องของการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลพอลรักษาศีลห้าได้แล้วเราก็อยากจะรักษาศีลแปดต่อไปเพราะการที่เราจะรักษาศีลแปนี้จะทำให้เรานี้มีกําลังที่จะไปปฏิบัติภาวนาไปสร้างความสุขอีกระดับหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ถ้าเราสามารถไปภาวนาถือสีนแปดได้ไปอยู่วัดเนี่ยไปฝึกสตินั่งสมาธิฝ่ยควบคุมใจให้นิ่งให้ใจให้สงบได้เวลาใจนิ่งใจสงบนี้เราจะเจอกับความสุขที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เราให้เป็นความสุขของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้ ต่อให้เป็นความสุขของนายกรัฐมนตรีของประธานาธิบดีก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้อันนี้แหละจะทําให้ใจเราเลิกห า, าลเเลกหาลาบยศสรรเสริญเลิกหารูปเสียงกลิ่นลดผลธพระชานิดต่างๆได้ทําให้ใจเรานี้ไม่ต้องพึง่งร่างกายได้ต่อไปร่างกายเป็นอะไรใจเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้อง เราไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราสามารถปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะแก่ก็แก่ไปร่างกายจะเจ็บก็เจ็บไปร่างกายจะตายก็ตายไปเพราะเราไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วเพราะเราสามารถหาความสุขจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาได้อันนี้แหละเป็นที่พึ่งทางใจเป็นหล่นของความสุขที่จะทําให้เรานี้ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายอีกต่อไป และเมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายนี้จะไม่มาสะเทือนใจเราเพราะใจเรานี้ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ตายเพราะเราเข้าใจโดยหลักของธรรมชาติว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคน แต่ถ้าเราไม่ได้พึ่งร่างกายไม่ต้องเราอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็จะไม่มีความอยากที่ามาสร้างความทุกข์ให้กับเราหรือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเรายังต้องการใช้ร่างกายอยู่เราก็ไม่อยากให้ร่างกายมันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะถ้ามันแก่มันเจ็บมันตายเราจะใช้มันไม่ได้นั่นเอง เราจะใช้มันพาเราให้ไปหาความสุขต่างๆไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องพึง่งร่างกายเพราะเราสามารถหาความสุขโดยโดยวิธีที่พูะเจ้าทรงสอนให้เราหากันก็คือหาด้วยการปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาถ้าเราไม่มีเงินทาบุญทาทานเราก็ข้ามทานไปได้เลยไม่ต้องกังวลสามารถหาความสุขจากการรักษาศีล า, า, าควาากการภาวนาได้ ไปถือศีลแปลไปอยู่วัดหาที่สงบไปควบคุมควบคุมใจด้วยสติด้วยการระลึกถึงพุทโธพุทโธหรือ ด, ด้วยการสวดมนต์ด้วยการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกปีเรียบทเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ <S <S ถ้าใจไม่คิดแล้วมันก็จะไม่อยากถ้าไปให้มันไปคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะเกิดความอยาก พอเกิดความอยากมันก็จะทำให้ใจทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราสามารถใช้สติคอยควบคุมมันได้ใจก็จะไม่คิดถึงราบยศสรรเสริญความอยากก็ไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ไม่เกิดใจก็จะสงบได้พอใจสงบ ก, ก็เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติปลังสุขขังสุขอือนทือนื้อที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ถ้าเราได้ถึงความสุขระดับนี้แล้วเราทิ้งทุกอย่างได้หมดทิ้งลาบยศสรรเสริญทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้ไปอยู่ในป่าคนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีทรัพย์สมบัติภายนอกแต่ท่านมีทรัพย์ภายในคือความสงบนี้ที่เรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่หล่อเลี้ยงจิตใจของท่านไปตลอดไม่มีวันซึ่งสุด นี่แหละคืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องเราจะได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาของใจของเราก็คือการกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วรับประกันได้ว่าความอยากที่เคยสร้างความทุกข์ต่างๆของใจจะหายไปหมดแล้วสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสงบ ความสุขที่จะเกิดจากความสงบนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือประโยชน์ของการฟังเทศฟังธรรมที่นำามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตชิ น, นังเปตังังอุปกปฏิ อิชิตังปะชิตังตุมหังคิดเมวะสนิจจโทสัพเทปุเรนโตสังกาปะ จันโทปนะหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสะพีติโยวิวัจฉันตุสะพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนสีลิจานิจัวุฒาปจายโน ยตาโธรรมวาทันติอายุวันสุขังฮาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะได้คุยกันเพะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวก ถ้ามีอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทูบก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะกราบเป็นพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนาคุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ552ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 303 YouTube ดร V 68วิทยุออนไลน์8 Clubhouseit นาคุต137รวมทั้งหมด178ท่านค่ ะ, ะเชิญถามได้เลยถ้ามีคำถามคำถามจากทางนาคุตค่ะ แบบนมัส ก, การเรียนถามเมื่อทำบุญอุทิตให้ญาติและผู้ที่เป็นที่รักรวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่ได้ละร่างไปแล้วเขาได้ไปปฏิสนธิเป็นกายหยาบมิสามารถได้รับบุญได้จบจนถึงวาระที่มีสังขารใหม่ขึ้นและได้แตกดับอีกวาระหนึ่งถามว่าบุญนั้นจะยังคงรวบรวมอยู่ให้เขาได้อนุโมทนาหรือรับบุญกุศลนั้นๆไหมเจ้าคะ้าเขาทราบเพราะกอนุโมทนาบุญได้ คำถามถัดไปค่ะการที่บอกให้ปล่อยวางกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาการงานที่เราต้องเป็นคนแก้มันไม่ต่างกับคำว่าเห็นแก่ตัวอย่างไรคะและหนูควรคิดไปนะและหนูควรคิดไปทางไหนดีคะก็ เ, เหมือนกับการรักษาเวลาร่างกายไม่สบายเราก็ต้องรักษาให้มันหายการรักษาตัวเองถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่า มันไม่เป็นการเห็นแก่ตัวมันเป็นหน้าที่มันเป็ความจำเป็นเวลาเราทุกข์ใจเราก็ต้องหาวิธีรักษามันไม่ให้เราใจทุกข์คำถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะศึกษาหาศาสนาอื่นว่าเขาสอนอะไรเป็นศีลพัตถาามาตรไหมครับไม่หรอกก็เป็นการเรียนรู้เท่านั้นเองถ้าเราไม่เลยไปหวังพึ่งหวังใช้วิธีการสอนเขามาดับความทุกข์ใจของเรา คำถามจากทาง Facebook ค่ะผมได้ร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือตามที่ต่ตางๆและได้เคยร่วมบริบรจาคถ่ายชีวิตช้างที่ทำงานหนักมานานแต่คิดว่าเงินจนวนมากขนาดนี้ถ้านำไปช่วยสร้างโรงพยาบาลหรือบริจาคให้โรงเรียนตามตาม่ตางจังหวัดจะได้ประโยชน์มากกว่าคิดแบบนี้จะถือว่าเป็นจิตอกักุศลหรือเปล่าครับก็เป็นทางเลือกของเราที่เราสามารถเลือกได้แล้วแต่เราจะให้ความสาคัญกับ ไข่มากน้อยเพียงไรบางคนเขารักช้างมากกว่ารักคนเขาก็ไปช่วยช้างบางคนเขาเขาเคนนี้มีแต่สร้างปัญหามีแต่ทรัพากรไปเลี้ยงช้างดีกว่าช้างยังมาทำงานได้ช่วยเหลืออะไรได้อันนี้แล้วแต่ทัศนคติของแต่ละคนเรื่องของการทำบุญเาถึงเลือกทำกับบุคคลต่างๆ ต, ต, ตามใจเราได้บางคนเขาเลือกไปปล่อยนกปล่อยปลา บางคนก็ชอบไปทําบุญกับสุนัขเนี่ยเลี้ยงสุนัขจรจรับอะไรต่างๆเปในเรื่องของแต่ละบุคคลในเรื่องของอความพอใจได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะที่บ้านปลวกขึ้นบ้านเป็นรังเลยค่ะหนูกลัวเป็นกรรมจะต้องทําอย่างไรคะก็สร้างบ้านใหม่ไ ด, ได้บ้านใหม่เราเป็นบุญเนะ่ยเรา จะได้เปลี่ยนบ้านได้ส้าบ้านใหม่ไปซื้อบ้านใหม่เลยค่ะคาถามจากทาง Jiu-Tube ค่ะถ้าเราเห็นสัตว์นอนตายอยู่ข้างๆถ้าเราช่วยฝังเขาถือเป็นบุญไหมคะถ้าช่วยตอนนี้ก็ตายล้วไม่ได้เป็นบุญเพราะว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเราแต่ถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ตายเราช่วยพาเขาไปรักษาตัวนี่เป็นการทำบุญนยู ทำามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรเป็นชื่อเป็นชื่อมงคลหรื อ, อรหรือเบอร์มงคลควรทําไหมคะก็ปไปดูที่คุกสิคุกมีแต่ชื่อมงคลทั้งนั้นแนหะ <laughs> นายมงคลเนายดีเลยนายบุญเลยติดคุกกันหมด <laughs> มันไม่ได้อยู่ที่ชื่อไม่ได้อยู่ที่เบอร์นะมันอยู่ที่การกระทํำของเรา ทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อนี่แหละคือกฎแห่งกรรมคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะมีข้อสงสัยว่าจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันไหมคะทําไมถึงรู้ว่าถึงรู้สึกว่าจิตไม่ได้คงอยู่ตลอดไปสามารถแตกสลายได้แต่ตัวที่จะยังคงอยู่นิรันด์คือผู้รู้ความเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะคือจิตกับผู้รู้ก็ตัวเดียวกันนะี่ย จิตผู้รู้นี่เขามีทำหน้าที่ได้หลายอย่างนอกจากรู้แล้ว ย, ยังคิดได้ยังมีความรับรู้สึกสุขทุกข์อะไรต่างๆได้รับรู้เสียงกลิ่นรสได้ทิ้งเอานนี้บางทีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรู้สึกนึกคิดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ตัวรู้นี่มันไม่เปลี่ยนมันก็รู้ของมันไปตลอดเลลวลาแต่ก็เป็นตัวเดียวกันในตัวรู้นี้มีทั้งความรู้สึกนึกคิด มีความสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างสลับกันไปคำถามจากทางผู้รับฟังหน้ากุดค่ะอินซีห้าอ่อนทำอย่างไรให้เข้มแข็งขึ้นคะก็เติมมันเหมือนเติมน้ามันไงใช่ไ้มน้ำมันเครื่องน้อยก็เติมน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลน้อยก็เติมน้ำมันดีเซลก็ เ, ก เ, ก เ, กเสาแล้วดอ่ะก็เติมทั้งห้าตัวมันเป็นน้ามันห้าชนิดงไง ศรัทธาต้องเติมยังไงครัก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็าหาผู้รู้บ่อยๆเข้าหาครูบาอาจารย์เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธามากขึ้นแล้วพอเกิดศรัทธาวิริยะก็จะตามมาเามื่อเรามีศรัทธาเชื่อในคําสั่งคําสอนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็จะมีความเพียรที่จะทําดีและความชั่วแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราต้องการที่จะให้มีสติเราก็ต้องไปฝึกสติ ไปไปเตะวิเวกไปหาที่สงบไปเจริญสติอยูเอ่เรื่อยๆไปชาดแบทนะฮะได้ไปชาดแบทแล้วถ้าใช้การใช้ใช้ใชวิธีการที่อยู่กับตัวเองทั้งที่ทอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็ได้เท้านั้นถ้าทําให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็ได้ถ้างั้นสถานที่ไม่สําคัญนะคือสําคัญสถานที่ถ้ามันสงบมันก็จะดีกว่าสถานที่ที่วุ่นวายถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านได้ไม่วุ่นวายไม่มีใครมารบกวน เราสามารถเจริญสตินั่งสมาธิได้ก็ทําที่บ้านไปก็ได้แล้วการเดินสตินี้กมันเกี่ยวข้องกับจริตไมหมคะหลวงพ่อคือจริตก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเจริญสติบางคนชอบพุทโธบางคนชอบสวดอิติปิโสบางคนชอบดูการก้าวเท้าซ้ายขวาก้าวหนอย่องหนอวางหนョอะไรอันนี้เป็นเรื่องจริตแต่เป็นการสร้างสติที่ต่างกันไป แล้วถ้าลูกดูจิตอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกต้องเดินยังไงต่อจิตนี้ยังเป็นสิ่งที่เราดูไม่ทันเพราะมันละเอียดถ้าเรายังไม่มีสติเราจะดูมันไม่ทันเราต้องมาสร้างสติทร้างสมาธิให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะเข้าถึงตัวจิตได้ตอนนี้ยังไม่ต้องดูจิตดูร่างกายก่อนดูของที่เห็นชัดๆัดคือร่างกายก็ดูร่างกายทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวอย่าปล่อยให้มันฆาดสายตาอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่น ให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรกําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังอาบน้ํานั่งหน้าแปลงฟันกําลังทำอะไ ร, เ, ะไรเข้ามันไป อ, อันนี้เป็นการสร้างสติขึ้นมาก่อนออสติผัสฐานสีนี้ลูกต้องเดินตามลําดับไหมคะก็นี่ตามลําดับลาดับแรกก็คือสติไม่ไม่ต้องสติก่อนสร้างสติแล้วก็นั่งสมาธิอานาปนาสติให้เกิดสมาธิพอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็มาพิจารณากาย ว่าเป็นไตรักแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็มาพิจารณาวทนาว่าเป็นไตรักแล้วก็ป ente, trees, approved, ล่อยวางแล้วก็มาพิจารณาจิตว่าเป็นไตรักแล้วก็ปล่อยวางต้องทําทีละตัวมันเมันเป็นเหมือนข้อสอบสามข้อ ทำไปทีละตัวนี้มันสามารถอยู่ในเวลาที่ลูกสมมุติว่าลูกนั่งหนึ่งชั่วโมงหรือว่าพิจารณาสติปัฏฐานสี่ถึงชั่วโมงเนี่ยมันสามารถพัฒนาขึ้นต่อได้เลยไหมคะได้มันไปของมันโดยอัตโนมัติมันเกียร์อัตโนมัติมันจะเปลี่ยนของมันไปแต่มันจะเห็นกายก่อนอมันชัดที่สุดมันง่ายที่สุดป่อยวางร่างกายไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายให้แด้ก่อนแล้วก็ไปปล่อยให้ัฒนาความเจ็บปวดของร่างกาย มันจะเจบจะปวดยังไงก็อยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมันแล้วก็ไปไปไปปล่อยจิตไปปล่อยอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่มาสร้างให้เราเครียดนี้ก็เราก็ไม่ทุกข์กับมันมันจะมันจะเครียดก็ปล่อยมันเครียดไปมันจะวุ่นวายก็ปล่อยมั้วุ่นวายไปล้วไม่ไปวุ่นวายไปกับมันลูกเหมือนเห็นมานะตัวตนของตัวเองเวลามันเกิดขึ้นมาก็ตัดมันสิถ้ามัน มานะเป็นตัวมีห้ามทันบ้างไม่ทันบ้างออยมันมีแบบแวบๆขึ้นมาว่ารู้สึกใหม่ๆมันก็เป็นแบบเนี้ยมือใหม่หัดขับมันก็ยังไม่ชานาญขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทํานานมันจะเห็นชัดขึ้นเร็วขึ้นบ่อขึ้นฝึกไปเรื่อยเรื่อเริ่มต้นแล้แสดงว่าเราได้เริ่มเห็นตัวปัญหาแล้วคือตัวอัตตาเนี่ยรถมันจะพระเจ้าบอกทําตัวให้เป็นเหมือนปาฏิพีทําเป็นตัวเหมือนแผ่นดิน อย่าไปถือตัวว่าเราสูงเราใหญ่เราเก่งมันจะทำให้เรามีปัญหากับคนอื่นได้ใช่ค่ะลูกรถระดับลีกีงงมาเจ อ, อเยอะมากเลยค่ะเป็นแจวนะอะ่าไปเป็นแจวได้สบายใครใหญ่ใหญ่ใครจะเก่งก็ปล่อยเขาเก่งไปเราไม่ต้องไปแข่งกค<ช>่ะใช่เลยค่ะโอเคนะกับเมตตาหลวงพ่อคำถาจากทางเฟซ b o ๊ k ค่ะ คุณพ่อเป็นหนี้เยอะเจ้านี้โทรมาทวงเงินกับลูกแต่ลูกไม่ได้ช่วยช้หนี้เพราะเกินกำลังได้ให้เงินท่านกินใช้เต็มที่แล้วลูกจะบาปไหมคะการที่เราช่วยเหลือใครไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้บุญท้งหนึ่งถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็จะได้บุญแต่ถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือเขานี้ไม่เป็นบาปนอกจากเราไปสร้างหนี้เพิ่มให้เขาเนี่ยถึงจะเป็นบาป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการอธิษฐานขอไม่หลุดพ้นจะผลส่งจะส่งผลต่อการภาวนาไหมครับกาไม่หลุดพ้นเราก็ไม่ไปปฏิบัติเเราก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มการปฏิบัติก็เพื่อให้หลุดพ้นถ้าเราไม่ต้องการหลุดพ้นเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติจากทางเฟซบุ๊กค่ะ มาจากนครศรีค่ะปฏิบัติทรมาต่อเนื่องเกือบสิบปีแล้วค่ะพยายามถามใจตัวเองซ้ำๆมาหลายๆครั้งทำไมยิ่งปฏิบัติถึงไม่อยากส่งเสินกับใครที่สำคัญรู้สึกเฉยๆกับชีวิตคู่มากไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ต้องถ้าไม่ใช่ต้องปฏิบัติต่ออย่างไรเพื่อให้ได้ออกเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีทั้งสองฝ่ายคะ คือปฏิบัติไปนวะมันจะมีความสุขมากขึ้นเวลาที่เราอยู่ตามกําพงอันนี้ไม่ใช่เป็นความสืนเศร้าเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติทาใจให้สงบใจยิ่งสงบมากเท่าไหร่ใจยิ่งมีความสุขเลยไม่อยากจะไปยุ่งกับใครเพราะยุ่งเลาวมันวุ่นวายอยู่คนเดียวสบายกว่าแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกให้เราหลอกให้เราไม่อยากจะไปสงสักับใคร แต่ใจเราก็ยังไม่มีความสุขจากการอยู่คนเดียวอันนี้ก็ต้องระวังบางทีเป็นคนเปนคนแบบเกลียดคนไปหมดเลยไม่อยากจะไปอยู่กับใครอนี้ไม่ถูกแต่ถ้าไม่อยากอยู่กับคนอื่นเพราะว่าเราเราชอบความสงบเราชอบอยู่คนเดียวเพราะเราได้ความสงบอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรม ค, คำถามจากทางเฟซบุ o กค่ะ เริ่มฝึกสติต้องเริ่มสักยังไงก่อนเจ้าคะก็เริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไงพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็พุโทโธใส่เลยเหมือนขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีก็ชกคู่ต่อสู้เราอย่าไปรอให้เขามาชกเราพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุทธสกัดความคิดต่างๆเราอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะใจของเราถูกกิเลสใช้ไปคิดทางกิเลสคิดแล้วเกิดความโลภความอยากขึ้นมาเราก็เลยต้องสกัดมันด้วยพุโทโธ ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ําก็พุโทโธอาบน้ํานั่งหน้าแปรงฟันก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันไปคิดแล้วเวลามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธใจจะได้นิ่งสงบเข้าสมาธิได้แล้วใจก็อิ่มมีความสุขจากสมาธิก็ไม่ต้องไปดินน้นรนหาเงินหาทองไปหาทรัพย์หาความสุขจากลาบยศสนเสริญคม คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะผู้สูงวัยที่บ้านชอบฟังเชื่อชอบเชื่อดวงหมอดูเรียนขอแนวทางอุอบายจากท่านในการชี้แจงให้ผู้สูงวัยท่านเข้าใจกับขอบพระคุณค่ะเรื่องของความเชื่อนี่มันก็พูดยากเราจะเชื่ อ, อพูดยังไงเขาก็เขาก็เกชื่อของเขาก็ปล่อยเขาเชื่อไปก็แล้วกันอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเหนื่อยกขาไปเปล่าๆยวก็ไปทะเลาะกับเขา นอกจากถ้าเข้ามาถามเราว่าน่าเชื่อไหมเราก็บอกไม่น่าเชื่อหรอกเป็นของความทั้งนั้นเป็นหมอดูกับหมอเดาคู่กันหมอที่ดูแม่นแไม่เชื่อคือพระพุทธเจ้าคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ไม่ยอมเชื่ออย่าไปเชื่อว่าฉันจะรวยหรือไมาฉันจะได้แฟนที่ดีหรือไม่อันนี้มันเป็นเรื่องของความดุนเดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะกําหนดได้มันเป็นโลกของอนิจจังค่ะ คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะเป็นทุกข์จากสามีนอกใจต้องทำใจอย่างไรคะเจ็บใจแค้นใจก็ยกให้เข้าไปสิเขาอยากจะได้เขาอยากจะได้ใครก็ให้เขาไปจะหายทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมปล่อยเขาตอนนั้นเองถ้าปล่อยกแล้วเราจะสบายใจมึงอยากจะมีกี่คนก็มีไปกระเท่านั้นเองคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ปฏิบัติธรรมรู้สึกเบื่ออาหารกินอะไรก็ไม่อร่อยต้องใช้ธรรมะข้อใดแก้ครับไม่ต้องแก้ ก, การปฏิบัติธรรมไม่ต้องการกินเยอะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินพอดับความหิวเท่านั้นเองคนที่มีความสุขทางใจแล้วจะไม่ค่อยหิวกับเรื่องของอาหารเท่าไหร่กินพออยู่พอไปสังเกตดูคนปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นโรคอ้วน <laughs> คาถามจากทางยูพระอาจารย์สุชาติค่ะ พ่อแม่ชรามากแล้วลูกๆควรจะทํายังไงให้ท่านสนใจธรรมะสนใจมรณสติครับอไม่ต้องไปกังวล่ะดูแลเรื่องร่างกายของท่านให้ดีก็พอรับใช้ท่านให้ท่านมีความสุขส่วนเรื่องธรรมะนี่มันอยู่เรื่องของจิตใจของท่านท่านจะสนใจหรือไม่เราไปบังคับท่านไม่ได้ถ้าท่านถามอยากจะไปฟังเทศฟังธรรมเนีย่ยพาไปอยากจะได้ธรรมะอะไรอยากจะได้หนังสือมาอ่านหรืออยากให้เราอ่านหนังสือธรรมะให้ท่านฟังก็ทําไป แต่ถ้าท่านไม่สนใจก็อย่าไปบังคับท่านอันนี้ต้องเป็นไปตามความปรารถนาของท่านเองหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่รับใช้ท่านดูแลท่านอย่างน้อยก็ดูแลร่างกายของท่านให้สุขสบายส่วนจิตใจก็แล้วแต่ท่านว่าท่านต้องการอะไรคำถามสคุลทีฆาธนาค่ะ ยมได้เจอแบบทดสอบผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้วครั้งแรกมีความถูกเจ็บปวดกับร่างกายแต่ใจไม่ได้เจ็บปวดตามสามารถแย้กายจิตได้ยอมรับได้ตามลำดับผ่าครั้งที่สองก็ยอมหยุดเย็นจนถึงเวลาร่างกายเริ่มจะหายเองซึ่งเห็นเป็นอนิจจังตามที่พระอาจารย์บอกแต่ก็ต้องยุ่งกับสังขารที่เสื่อมตามมาร่างกายไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมแต่ใจกลับเต็มร้อยกว่าเดิม เพราะถือว่าเป็นคนป่วยโชคดีที่ได้เจอข้อสอบและปฏิบัติทําได้ทุกวันยอมขอคำแนะนำต่อจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็ พ, ะพยายามแยกกายกับใจออกจากกันแล้วใจเป็นหมอร่างกายเป็นคนไข้หมอก็ดูแลคนไข้ไปตามอาการรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพตรง น, นี้ใจหมอไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปทุกข์กับคนไข้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนอกจากเราจะตั้งใจภาวนาให้ต่อเนื่องแล้วเราสามารถตั้งความปรารถนาที่เรียกว่าอธิษฐานคือขอให้บรรลุมรรคผลยึดพานเป็นพระอริยบุคคลได้ในชาตินี้แบบนี้ผิดไหมคะหนูทำแล้วรู้สึกว่ามีเป้าหมายดีค่ะคือเป้าหมายที่เราต้องการนะ่ะเป็นจะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้เราอธิษฐานที่การปฏิบัติขอให้เราได้ปฏิบัติสติอย่างต่อเ น, นื่อง แล้วมันจะพาเราไปสู่มรรคผลที่พานตามที่เราปรารถนากันค่ะคำถามจากทาง facebook ค่ะกำจัดอารมณ์โกรธอาหารจากจิตใจกําจัดอารมณ์โกรธไม่ทราบว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าคะกำจัดอารมณ์โกรธ อ, อ, อาหารจากจิตใจยังไงสาธุค่ะเวลาโกรธก็ใช้คํำเล่นคำพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์หรือคนที่ทําให้เราโกรธอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป ถ้าหลีกได้แยกตัวออกจากเหตุการณ์ได้ก็แยกตัวไปเข้าห้องน้ําไ ป, ไปไปสง บ, บสติอารมณ์เราเดี๋ยวพอเราลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปถ้าอยู่ในเหตุการณ์มันยิ่งเห็นยิ่งมันยิ่งยุ่มันยิ่งทํามันอยากให้โกรธมากขึ้นตอนนั้นถ้าแยกตัวออกจากเหตุการณ์ไม่ได้ก็ต้องแยกใจออกจากเหตุการณ์ใช้พุโทโธแยกออกมา ให้มันอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแพ้เป็นพระชนะเป็นมานไปทั้งนะั้นยอมหยุดเย็นไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะหนูชอบไปปฏิบัติตามสำนักวัดบ่าที่มีพ่อแม่ครูอาจารย์มาที่บ้านแล้วปฏิบัติไม่ค่อยดีรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยค่ะว่าที่ได้ยินว่ามีคนปฏิบัติที่บ้านจนบรรลุเป็นพระอระหันต์ได้มันเพราะเขาเคยปฏิบัติมามากแล้วในอดีตใช่ไหมคะใช<ถ>่เขาไม่ต้องพึ่งคนอือ่นนะเขาไม่ต้องพึ่งครูาอาจารย์นะถ้าเรายังต้องพึ่งอยู่เราก็ต้องไปอยู่เรื่อย มนได้ยัง อ, อ, อีกคำถามหนึ่งได้ไหมค ะ, ะไม่น่ใจาจากทางเฟซบุกค่ะตัวหนูสมองมีปัญหาหรือพงังแต่ตัวสั่งการคือใจที่ส่งสัญญาณมาบังคับร่างกายมองดูตัวเองเหมือนรถบังคับเลยเจ้าค่ะ ถ้าต้องซ่อมเหมือนต้องใช้อะไรก็ไปหาหมอผ่าตัดฟังธรรมและพิจารณาร่างกายบ่อยๆทำให้มองตัวเองเหมือนรถบังคับจุดนี้คือประโยชน์ที่ได้จากการฟังธรรมและมาพิจารณาตัวเราเองใช่ไหมคะใช่ทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้แล้วทำให้ใจเราไม่ทุกข์เดือดร้อนไปกับความเป็นความตายของร่างกายหมดแล้วใช่ไม ม, มีมาเพิ่มอีกหนึ่งคะ่ะ คำถามจากทางเฟ e บุ o กค่ะขอถามค่ะดิฉันดูสามีมาตลอดแต่สามีไม่เคยให้เงินใช้เลยมันเป็นกรรมใช้ไหมคะควรจะทำอย่างไรดีคะเพราะอายุ56 3แล้วจะไปปฏิบัติธรรมดีไหมเคยไปปฏิบัติมาแล้วค่ะดีเราอย่าไปพึ่งคนอื่นเลยไปหวังพึ่งคนอื่นพอเขาไม่ให้เราพึ่งเราก็จะเสียใจให้พึ่งตัวเราเองดีกว่า วิธีพึ่งตัวเองดีที่สุดก็คือการปฏิบัติทำไปสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องพึ่งใครหมดแล้วนะค่ะหมดแล้วค่ะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิศพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ